พระธรรมเทศนาแผ่นที่96ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่3พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอาคารเรียนเพื่อลูกหลานเราวันนี้นะว่า เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกเราคอยวันนี้มานานเอ่อตั้งแต่หลวงพ่อมารู้จักหรือว่ามาริเริ่มวัดป่ารวมธรรมของพวกเราเจากนั้นท่านผ อ, อ, อก็ได้เขามาพูดคุยว่าอาคารเรียนของตำบลสมเศ้าสร้างมาตั้งแต่ นมนานพวกคณะสมัยก่อนก็คือพวกกรอปอกกลางที่มาพักแรงที่นี่ได้มาสร้างอาคารเรียนพร้อมกับชาวบ้านถ้าคิดดูแล้วประมาณสักสามสามสปีให้หลัง เ, เพราะนั้นอาคารหลังนี้จึงเป็นอาคารที่สํำลดสดโทม ลงอย่างมากแต่นั้นหลวงพ่อเองก็ได้ให้คณะกรรมการมาช่วยดูก็เห็นว่าที่มาดูแล้วก็ชดชมจริงเพราะนั้นพร้อมกับท่านดอกเตอร์ของเราดอกเตอร์หิรันอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านก็ได้มา รู้จักมักคุณกับพวกเรานมนานก็พร้อมกันท่านก็เคยสร้างอาคารเรียนหลายหลังเคยสร้างโรงพยาบาลให้อําเภออะไรมหาจลคามหลังหนึ่งออก็หลายเงินเหมือนกันหลายล้านแล้วก็สร้างอาคารเรียนที่นิคมคำส้อยจังหวัดมุกนาหารแล้วก็มาสร้างอาคารเรียน โรงเรียนตำบลที่อำเภอนาโยงจังหวัดร้อนอีกและก็พร้อมกันก็ได้สร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านเพิ่มสรุปแล้วก็คือท่านได้สร้างสาธารณประโยชน์มากมายหลายหลังทีเดียวทั้งท่านด็อร์ทั้งท่า น, อ, อ, านอาจารย์โรงยาวพร้อมกับครอบครัวของท่าน แล้วก็มาคราวนี้ก็หลวงพ่อไปเห็นว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาในการก่อสร้างสาธารณะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ทราบ เ, เพราะฉะนั้นมาคราวนี้หลวงพ่อก็ได้ประเกินเกินกับท่านท่านก็ยินดีท่านก็ยงได้ตกลงก็ได้หาเสีย เ, เก็กที่เคย ไปบวชกับหลวงพ่อนะลูกของลูกโยมตั้งกิมเซงพวกเราของจะรู้จักขายวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอุดรสมัยเก่าแต่เดี๋ยวนี้อาจจะหลังคนอื่น จ, จะอาจจะใหญ่กว่าน ะ, ะสมัยก่อนก็เป็นคนรู้จักมักคุ้นคนเก่าแก่ของเมืองอุดรทีเดียวท่านก็เป็นลูกหล่อลูกของญาติโยมก็ได้ รับเหมาก่อสร้างหลายแห่งฝีมือก็ อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นผลวงลบหลวงพ่อเองก็ไว้เนื้อเชื่อใจว่าถึงจะเป็นเด็กหนุ่มแต่ก็มีไฟมีพลังมีความรับผิดชอบสูงในการก่อสร้างเพราะนั้นหลวงพ่อจึงในมอบความไว้วางใจให้สร้างหลังนี้อีกหลังหนึ่งเนี่ยดดูดูก็ขึ้นมาแล้วก็ ลักษณะ เ, เป็นเมื่อเรามอบแล้วพวกเราคงจะเข้าไปเดินดูข้างในนะไปดูผลงานข้างในหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าอาคารเรียนหลังนี้จะอยู่ในสภาพเสร็จสวยงดงามทีเดียวและก็พร้อมกันทางอำเภอเพนทางโรงพยาบาลอำเภอก็จะได้ย้ายอาคารที่ตึกอำนวยการออกไปแต่เทนเน่ก็จะต้องย้ายผู้ป่วย ก็อาคารไม่มีอพอจะย้ายละ ย, ายล้ายหลังเก่าออกอแล้วก็จะขยับไปหลังใหม่แต่จะต้องมีจะต้องใช้เงินก็พอดีเข้ามาก็นี่แหละอาจารย์เฮิรันอิอคุณโยมอาจารย์ทรงเยาวอีกอท่านก็ช่วยมาทหลาล้าน5แสนนะคณศสัตยาติโยมแสดงว่าอำเภอเพ็นของเราเป็นอำเภอที่มีบุญทีเดียวนะ สมเด็จสมความก็อเำเภอนะเพนบําเพ็นะบําเพนบุญกุศลนะท่านก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลอีกสามล้านห้าเพื่อจะให้ย้ายอาคารเรียน้ก็อาคารโรงพยาบาลามาให้กับพี่น้องอำเภอเพนอีกแล้วก็แล้วก็โรงเรียนบ้านสุ่มเศร้าของเราน้อีกสี่ล้านสี่ล้านสามแสหกสาพันห้าร้อบาทนะอันนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันพวกเรา ลูกหลานทุกคนกว่าจะหาเงินได้ขนาดนี้นะบางทีหาทั้งพบทั้งชาติก็ไม่ได้นะแต่นี้ท่านมีจิตศรัทธามาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้กับพวกเรานะับว่าพวกเร า, เ, าเป็นผู้มีบุญมีกุศลทีเดียวเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานแลวก็ต่อไปอีกนะหลวงพ่อก็จะในพูดกับ อาจารย์ท่านศาสตราจารย์ท่านดรของเราฮิลันแล้วอาจารย์โงเยาของเราและครอบครัวของท่านาาต่อไปนี้ก็คงจะสร้างศาล า, า, าปริยัติธรรมวัดรวมธรรมอีกนันลูกหลานนะท่านขอรับาปากว่าจะเป็นเจ้าภาพให้อีกหลังหนึ่งเพราะนั้นถือว่า ท่านได้มาช่วยอำเภอเพนของเราวัดวาศาสนาทั้งโรงเรียนถือว่าเป็นวันถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วก็หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ถึงจะเป็นพระที่อยู่ป่าดงพงไพ่ก็นี่แหละไม่ได้เคยลดละละเลยในการดูแลชุมชนสังคมนั้นลูกหลานแล้วก็พร้อมกันเมื่อวานในหลวงพ่อก็ได้ไปโรงพยาบาล อำเภอกลุมพระวาปีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลก่อเมื่อวานในเงินตั้ง8ปดล้านสี่แสนกว่าหนะูกงล้านนะเออสัตย์ทายแขนาดเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ได้มากขนาดนี้โรงพ่อก็เออเป็นที่พอใจเพราะโรงพยาบาลขาดขาดกระทั่งห้องน้ำขาดอะไรต็มีอะไรมากมายที่เขารายงานให้ฟังเมื่อวานนี้ต้อออาอคณะ ที่ออกไปก็ไปช่วยกันก็รู้สึกว่าอบอุ่นนี่นี่แหละทั้งโรงพยาบาลก็ดีทั้งโรงเรียนก็ดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลายครั้งต่หลายหนต่หลายหลายต่างกลามต่างวาระว่าพวกเรา เ, าเกิดม า, าต้องมีเจ็บการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนจะต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าหาก เ, าเมื่อเข้าโรงพยาบาล โรงพยาบาลก็จาเป็นจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พักพาอาศัยเป็นที่อบอ่ น, ใ น, ใ, นในระดับที่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราจะต้องพึ่งพาอาศัยทางโรงพยาบาลตลอดถึงเครื่องมือแพทย์น ะ, ะแล้วก็วันก่อนนอีกเหมือนกันมีท่านด็อกเตอร์มาจากกรุงเทพท่านเคยเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาท่านกไ็ได้มอบถวายเครื่องมือทาตา ให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรผ่านองค์หลวงตานะจากนั้นท่านมาพักที่วัดหลวงพ่อท่านก็ถามว่าโรงพยาบาลมีความจําเป็นอะไรไหมทางโรงพยาบาลเขาว่ามีความจําเป็นอยากจะได้เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งที่จําเป็นมากคือเครื่องมือตัวนี้ครับเป็นเครื่อง X ray, เอ็กซเรย์เช่นเลือดในหัวใจท่านก็เลยซื้อมาให้แล้วก็มอบให้เมื่อวันที่30สบที่ผ่านมาที่วัดหลวงพ่อนะทางหมอทั้ง พยาบาลก็เข้าไปรับที่วัดของหลวงพ่อราคาตัวนี้ก็ท่านว่าท่านว่าราคาจริงของเขาประมาณสองล้านหกแสนะแต่นี่ท่านน้องน้องชายของท่านเป็นคณะกรรมการในการดูแลเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพท่านก็เลยซื้อได้สองล้านสองก็ได้มอบไปกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรและเมื่อวันที่30ที่ผ่านมา ก็เป็นนั้นว่าหลวงพ่อทั้งโรงพยาบาลด้วยทั้งโรงเรียนด้วยโรงเรียนก็จําเป็นโรงพยาบาลก็จําเป็นโรงพยาบาลก็คืออย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวทุกคนเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยพื้นแผ่นดินไทยหรือจะต่างชาติก็เถอะที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องได้เข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็คือจําเป็นสําหรับพี่น้องประชาชนเครื่องมือแพทย์ดีหมอดี ยาดีพวกเราเข้าไปเราก็อบได้ ร, รับความอบอุ่นการเข้าไปดูแลรักษาและกระพร้อมกันพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยก็จําเป็นจะต้องได้รับการศึกษาจะต้องมีโรงเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยต่างๆนี่คือการศึกษาถ้าหาว่าคนในชาติเกิดมาแล้วไม่ได้รับการศึกษาที่ดี คนในชาติเกิดมาแล้วก็โง่เง่าเตาตุนจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไปได้อย่างไรนี่หละโรงเรียนก็เป็นบ่อเกิดบ่อหนึ่งสำหรับให้พวกลูกหลานได้เรียนได้ศึกษาแต่ถึงยังไงก็าตามนะที่ท่านศาสตราจารย์ดรฮิรันของพวกเราอาจารย์นงเยาของพวกเราพร้อมครอบครัวคุณนุชนาศรดีศรีที่มอบอาคารเรียนหลังนี้ให้กับ ครูบาอาจารย์มอบให้กับชุมชนตำบลสุมเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวั ด, ดอุดรธานีของพวกเรานี้อันนี้ก็คืออาคารเรียนแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ที่เขามาสอนเด็กนักเรียนในอาคารเรียนหลังนี้อาคารเรียนหลังนี้เป็นอาคารสําหรับสอนคู่คนแต่ถ้าหาว่าครูบาอาจารย์สอนเด็กไปในไปในทางที่ดีเด็กทั้งหลายก็จะเจริญก้าวหน้าในวิชาอาชีพของของเด็กนักเรียน แล้วก็ต่อไปก็เป็นคนดีเด็กดีเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแต่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ที่มาสอนในอาคารเรียนหลังนี้นะอสอนไปทางวิชาชีพอาคารเรียนหลังนี้ก็เป็นแหล่งสมสองสมวิมชามิชาชีพเหมือนกันนะักันนัศัทธาญาติโยมลูกหลานผมขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกๆท่านทุกๆระดับเพราะอาคารเรียนหลังนี้ เ, เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเราจะใช้เป็นร้อยปีนะลูกหลานนะเพราะอาคารเรียงให้เป็นหลักฐานที่แข็งแรงมาก เ, เป็นเสาคอนกรีตคานคอนกรีต อ, อ, อะไรมันมีแต่เรื่องที่แข็งแรงแต่จะต้องใช้ไปในนานทีเดีย mm. วเพราะนั้นขอฝากไว้ขอมอบให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนของพวกเราช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็พร้อมกันขอให้พวกเราวกทุกท่านเกิดมาในพพกติศาสนา ชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เป็นเสาเป็นสามขาอย่างรักษาประเทศชาติบ้านเมืองมานมนานเพรา ะ, ะนั้นชาติก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายช่วยกันประคับประคอง ม, มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันรักเมตตากันมีอะไรกับเพื่อกลุก่นหนุนกันอย่างที่ท่านอด็อกเตอร์ของเรานี่นะอท่านถึงท่านจะอยู่ในกรุงเทพท่านก็มองเห็นความยากลาบากหรือว่าความ ขาดแขนในอาคารเรียนของเราท่านก็ยังมีเมตตามาช่วยเหลือพวกเราอันนี้หรอชาติต้องต้องช่วยกันพุทธศาสนาก็เหมือนกันเป็นสะพานบุญให้กับลูกกับหลานคณะสัตยาญาติโยมสิ่งไหนที่ควรจะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านก่อนแนะนําบอกกล่าวให้กับคณะสัทยาญาติโยมลูกหลานให้เดรรับรรับทราบอันนั้นดีอันนี้ชั่วอันนั้นบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมีใช่ประโยชน์เนี่ย แต่ส่วนพระมาหากษัตริย์ก็เป็นผู้ปกครองมาตงแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทรา t ิ i พ่อกุรามกําแหงกรุงศรีอยุธยามาถึงกรุงรัตนโกสินลคือพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ปกครองพวกเราถึงจะอย่างไรก็าตามถึงจะยากจนค้นแค้นยังไงประเทศชายประเทศไทยของเราก็เป็นเอกราชมาตลอดไม่เคยเป็นขี้ข้าของประเทศไหนนีเพราะนั้นนับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมาก และกพร้อมกันก็เป็นเมืองที่มีพระพุทธศาสนาพวกเราเคารพซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจพระพุทธศาสนาสอนให้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายแล้วเกิดไม่ใช่ตายแล้วสูญนะบาปุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงถ้าพวกเราอยากจะรู้ว่านารกสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญ ในหลักของพระศาสนาฐานท่านก็นสอนให้พวกเราพิสูจน์ได้นะพิสูจน์อย่างไรอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเออย่างหลวงตามหาบัวอย่างเนี้ยนะแล้วครูบาอาจารย์ทุกโรคที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านไว้ให้นั่งภาวนาเนอะถ้าพวกเราร่งภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจใจ กายเป็นคนละอ่านกันเนอ้อลูกหลานเนอ้อท่านจะแนะนําสั่งสอนอย่างนั้นท่านบอกว่าเมื่อใจสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วร่างกายของเราเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรนขับรถกับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าคนเรามีร่างกายอยูออ่จิตใจก็ต้องอยู่ในร่างกายจะให้มันจะให้พูดจะให้แสดงอากับกิริยาอะไรก็ได้เพราะว่า ความความสามารถของร่างกายถึงขนาดไหนใจก็สั่งให้ทำได้ขนาดนั้นแต่ถ้าว่าร่างกายทุบพ ล, ละภาพนะเหมือนกับคนเหมือนกับรถมันเสียอย่างนี้แหละถ้าว่าตัวไหนตัวหนึ่งมันหลุดแต่เครื่องมันยังติดได้อยู่ติดมันติดเชิงเชิงเชิงเชิ ง, ช, งชิงอยู่ติดนะแต่มันไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวตัวอะไรตัวหนึ่งมันหลุดมันหลุดออกไปแล้วนะแต่เครื่องมันยังดีอยู่ นี่ก็เหมือนกันบางคนก็เข้าไปนอนโรงพยาบาลเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตอย่างนี้ก็ยังไม่ตายแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะร่างกายมันไปไม่ได้มันทุบพลลภาพนี่ก็เหมือนกันท่านว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจของคนคือนามธรรมตัวนั้นเนอะเหมือนกับคนขับรถอาศัยกันอยู่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนเนะีอย่าะอย่าประมาท ให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าว่าพวกเรามีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วเกิดมาในภพหน้าชาติหน้าก็เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศจรนรเสรินสุขเพร่อให้หรเราได้ทำบุญออสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจอย่างวันนี้แหละนี่นะออทั้งที่ท่านศาสตราจารย์ดรของเราในะฮิรน ฮ, รฮริรันริอาจารย์ดงเยานะเนออีเออ่ย ท่านศาสตราจารย์ดเรเฮิรันอาจารย์องเยาวคุณอนุนาฏเนี่ยรตีศรีพร้อมในครอบครัวของท่านเนี่ยที่นั่นอันนี้ก็คือท่านมาสร้างบุญสร้างกุศลณลูกหลานนะอันนี้แหละ ส, สังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของท่านเมื่อท่านระลึกถึงคุณงามความดีจุดนี้เมื่อไหร่ใจของท่านก็มีความสบายอกสบายใจเพราะได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมให้ประเทศชาติปันเมืองลูกหลานของ พวกเราได้มาศึกษามาเรียนรู้แต่ละปีที่จบออกไปก็ได้เรียนสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นก็ได้ทําการทํางานก็เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเอิงอย่างมากทีเดียวเพราะได้รับการศึกษาที่ดีอันน่นก็เป็นบุญเป็นกุศลของท่านที่ท่านได้เสียสละทุนนะครับ เพื่อบำบ u l o ประเทศชาติศาสนาถ้าจะว่าไปคือบำบ u l o n ทั้งสสถาบันที่ดีละชาติก็คือพวกเราศาสนาก็คือพระพรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนคนให้เป็นคนดีพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้ปกครองประเทศชาติมาตั้งแต่ดึกําบรรพฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะสรุปแล้วให้เป็นคนดีคิดดีทําดีพูดดีถ้าว่าเราคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีกรรมที่ไม่ดี จะให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่างพุทธภาจิตวะอกตะตังดุกตตังเสยโยปัตชาตปติทุกตะตังแปลว่าความชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรำชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง แอ่พ่อยนั้นพวกเราให้ตรวจตราดูพวกเราทุกๆท่ทันน ะ, ะการกล่าวสโมโภชธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตานาตรยัยพระพุทธญาพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาคนรลขอคอยมาคุ้มครองด้วยบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอยมาคุ้มครองคณาจา ย, ายาโยมโลูกหลาน จงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปลารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมเขาขอให้สมหวังดังปลารถนาทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเธุต่อแหนสําหรับการอภิปจะเป็นพิธีมอประกาศนียบัและก็รับประกาศนียบัตรนะครับ